ท่านุ่รมยังสุทธะขะขาวโตสพุทธพาธรรมะการังการมาเสนะโทธายะนะขวะยโตระนพนเดชพระภูมิพระพาเจ้าพระองค์นั้นพระรามโตเป็นเบญจกัจากฤๅษีท่ามา ัท ธ, ธัสสะราชารูปชอบได้โดยงเจ้า ม, สาาาามิสัมพุท ธ, ธัสสะพระสาวกขออนุโมทนาบุญพระพระตาเจ้าเจ้ามนั้นอาลัยทุซึ่งเป็นผู้ไปจากศีลสมายสัมพทธัสสะราชารูปชอบได้ นโมท้าเจ้าพระพุทธองคพขอนอกน้องแด่พรผูุมพราพเจ้าพระองค์นั้นทาราทาโตรเส้นเ็นผู้บุปผาทิ่เละธัรมะสมุทตะสจาพระพุรธองค์จได้โดยพระองค์เอง